ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงพระพุทธยาณกำลังนำเสนอจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมุปบาทมาตามลำดับก็มาเน้นย้ำที่มิฉาปฏิปทากับสา ม, มาปฏิปทาคือมองพระพุทธศาสนาโดยสรุป เพาที่จริงก็มองชีวิตโดยสรุปมานะ่ะมีโลกมองชีวิตโดยสรุปพอมนุษย์เนี่ยมันตัวสําคัญอยู่ที่จิตประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเขาคิดยังไงอ่ะแล้วก็จากนั้นมันจะจิตจะเป็นผู้นําจนาสรุปได้ว่าโลกอันจิตย่อม น, นาไป สิ่งทั้งหลายที่วิจิตพิสดารสวยงามน่าทึ่งอศัศจรรย์นเนี่ยจิตเป็นตัวสร้างขึ้นจิตเป็นตัวนำเราก็สร้างแม้แต่ ง, งานในแต่ละขณะให้เราสังเกตว่าอย่นอยู่ที่จิตงานบางอย่างถ้าจิตไม่ดีเนี่ยมันทาไม่ได้เราเรียกไม่มีอารมณ์แล้วถ้างานประณีตจิตต้องประณีตจิตต้องสงบต้องมีสมาธิดี ทำงานจะทำงานไม่ได้ตลอดต้องนำออกไปจากสังสารทุกข์ก็อยู่ที่จิตก่างเดียวบางครั้งก็ส่งแสดงโดยสรุปว่าทำทั้งปวงรวมลวงที่จิตดวงเดียวขณะจะเป็นไปในเวลาที่รวดเร็วแเรารับผิดชอบได้จริงๆก็คือในแต่ละขณะขณะปัจจุบันนะขณะสำนวนอนภะิธรรมก็ียปัจจุบันนขณะ คืจจนนอขณปัจจุบันเท่านั้นเองปัจจุบันแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช้สอยประโยชน์ก็ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็เป็นอดีตละแป๊บเดียวก็เป็นอดีตละจะตั้งหลักไม่ทันอดีตแปลว่าเป็นไปแล้วล่วงไปแล้วดีก็ท่านั้นนะฮะชั่วก็ท่านนั้นนะก็ ท, นนนที่บอก ไว ใ, ในวันก่อนถึงเรื่องการรู้เรื่องซึ่งนั้นเสร็จไปแล้วนะคือหมายความว่าในในตัวเขานในที่จริงเสร็จไปแล้วมีเจตนาแล้วมีการกระทําแล้วเกิดผลคือที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วถ้าเราเฉยๆมันก็ขีดวงเอาไว้คือแม้มันลามปามเมื่ก่อนก็มีนังซื้อพิมพ์ก็โทรศัพท์มาถามความเห็น มันมาบอกไม่คยมีความเห็นแล้วเนาะเพราะว่ามันเรื่องปกติธรรมดาในสังคมคนมีปัญหาก็แก้กันไปมีปัญหาก็แก้กันไปแล้วอยากคิดว่ามันจะหมดปัญหาเพราะว่าโลกมนุษย์เองไม่มีทางหมดปัญหาโลกที่หมดปัญหาคือสังคมของพระอาหารหันต์เท่านั้นเองแต่สังคมมนุษย์แล้วต้องมีปัญหามีปัญหาให้แก้ สมมติว่าเนี่ยสมมติว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเอางานที่ไหนมาทำํำมีงานอะไรปัญหาสําคัญมันอยู่ที่วิธีแก่ในการแก้ปัญหามันอยู่ที่วิธีในการแก้จนว่าเรื่องเกิดเกิดเรื่องสื่มเสียขึ้นมาหลวงพระพระพระโอทําผิดอย่างงั้นอย่างนั้นถูกกล่าวหาว่าทําผิดอย่างงั้นอย่างนั้ น, น, น, น, นต้องชัดเจนพอสมควรนะฮะจะให้ท่านสุดเนี่ย ก็นั่นคือคำพิพากษาและแง่จริงๆก็คือประหารชีวิตแล้วกระหาวว่าม่ชัดเจนมันจะเป็นบาปเพราะว่าในกระบวนการมองคดีด้วยความผิดทั้งหลายเนี่ยรัตนูนก็กำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะมลยบริสุทธิ์เมื่อมีการกระหารในคดีทั้งหลายเนี่ยแต่พระเรานั้น คือถ้ามีอะไรแสดงให้เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็เรียกว่านอกรีด น, นอกรอยของสมณะแล้วมันจะทมให้แปลกเพื่อนต่อศาสนาก็ต้องจาัด ก, การให้ออกไปจากธรรมิัยแต่เราก็ไม่มีเสษความเป็นอุบาสก ข, ของเขานะคือเขาจะสมมติว่ารากออยู่ที่วัดขอแล้วเปิดเรื่องขึ้นมา ที่ไม่เป็นอาญาแผ่นดินนะอีกขาอแม้ว่าที่ไม่เป็นอาญาแผ่นดินนี่แล้วก็ท่านก็สืบออกไปแล้วก็สมัครใจโยมคนนี้สมัครใจจะอยู่เป็นวัตสกของวัดรับใช้งานวัดเป็นคนวัดรับใช้วัดดูก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นคือธรรมะนั้นคือเมตตาธรรมอย่างนั้นเลยนะะมันไม่ใช่เอาไปตัดตัดหัวเลยมันมันเป็นความคิดว่า แต่หัวขวอแกงอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ใช่ความคิดแบบพุทธพุทธนั้นจะต้องยืนอยู่บนหลักที่ตัวเองไม่แปดเบื้อนบากแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเว้นบากซึ่งถ้าหากว่าเราได้สติคิดเข้าใจกฎของกรรมที่อาจะมาเน้นในกฎของกรรมไว้ที่ สถานีวิทยุบางแห่งเนี่ยว่าเสียละเอียดพิสดารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอรอนี่ว่าอยู่นานเพื่อต้องการให้คนได้เข้าใจว่าหลักกรรมเนี่ยเป็นหลักการสำคัญที่สุดเรารับผิดชอบได้เฉพาะเรื่องกรรมตันงเดกรรมคนอื่นเราไม่ต้องรับผิดชอบหรอกแต่ก็อย่าไปหาเรื่องแบ่งเท้าหาเสี้ยนหรือฝอยหาตะเขะเพาคุณทนลมถมน้าลายรถ้าอย่างนี้นอกเรื่องนั้นะ มันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดแล้วตัวนี้ที่จริงก็คือกระบวนการทางปฏิบัติการหมายความว่าเมื่อคิดผิดนําเสนอผิดแก่ปัญหาผิดมันก็เลือดเทอะอามาแล้วก็ยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับขี้หมากองหนึ่งเนี่ยก็คือขี้หมาที่เราจะต้องเก็บไปทิ้งก็ตักทิ้งเสียได้พอดียังติดดินอยู่บ้างติดกรรไกรอยูดด่บ้างก็เช็ดคือไม่ใช่เอาน้ํามาฉีด แล้วไม้กวาดกวาดเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วมันขี้หมามันจะเปื้อนไปเลอะเยอะเลยนี่วิธีวิธีทำเนี่ยเราจะเห็นว่าทำเรื่องเล็ก็เป็นเรื่องใหญ่กล้ายๆมันจะเป็นจะตายเอาไม่มีทางนะฮะแ ก, แก้ไปเถอะแก้กันชั่ว น, นาตาปีปัญหาเหล่านี้มันก็คงเป็นปัญหาอยู่นั้นเพราะมนุษย์มันเป็นสัตว์โลกประเภทเขรียดกามนะฮะประเภทพวกกามก็เลยกามมาวาจร สัตว์โลกประเภทกามอาจตะมีสิบเอ็ดพบเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเพศทั้งนั้นนะเราจึงแก้ไม่ได้ถ้าต้องการแก้ก็เกิดเป็นพรมไปเลยจะ แ, แก้ได้จะไม่มีปัญหาเรื่องดึเ ง, เ ร, งเรื่องเกี่ยวกับกรรมมาคุณแต่ก็มีปัญหาเรื่องทุกข์ในสังสารวัฏอีกแหละประเด็นต่อไปเนี่ยปฏิจจสมบัติเป็นพระวจนะคือเป็นเหตุเป็นผล แล้วกระโดดข้ามไปข้ามาได้นะสิ่งที่เป็นผลก็จะเป็นเหตุสิ่งที่เป็นผลก็จะเป็นเหตุเพราะงั้นจะเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุแล้วก็กลับไปกลับมาได้นะเช่นสมมติว่าเราอยากกินขนมมันก็เกิดตัณหาในขนมแล้วก็ปรุงขนมขึ้นมารับประษาน กานปรุงแล้วรับประทานนั้นก็เป็นกรรมคือการกระทําแต่แล้วก็ติดใจในรสชาติอร่อยมันเป็นวิบากไอ้ตัววิบากซึ่งมันเป็นผลเนี่ยมันก็กลับมาเป็นเหตุคือกระตุ้นให้เราอยากกินต่อก็บุญกันวนเวียนกระโยงเนี่ยกระโจนกลับไปกลับมาได้เพราะในความเป็นภวะจักเนี่ยเราจึงเห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นสามชาติ ประเด็นนี้ประเด็นสาคัญนะรเราจะลืมว่ามีการอธิบายของสำนักบางสำนักพูดแต่ว่าชาติเดียวในขณะนั้นนั้นนิพพานในขณะนั้นนั้นมันพูดได้แต่ไม่ใช่นิพพานจริงในแง่ที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะฮะว่าแสดงเป็นเรื่องสามชาติเพียงแต่ว่าเราเราไม่ลองสังเกตเองนะฮะพัสสิต์ง่ายๆเนี่ยเช่นสมมติว่า บุญญานิปรโลกัสิ่งปฏิท่าห้นติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเห็นไหมครอมสามชาติอ่ะก็หมายความว่าบุญในอดีตเนี่ยท่านอธิบายไวในพิธรรมว่าบุญในอดีตมันเรียกว่าแสนโกรธกลับ บุญที่จะให้ผลในอนาคตก็มีอยู่แสนโกรธกับสาบใดที่ยังไม่ให้ผลแกก็ติดตามรออย่างนั้นะนั้นแสดงว่าชาติภพเนี่ยสมมติว่าเราเอาชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นชาติเป็นชาติที่สองชาติก่อนเป็นชาติที่หนึ่งชาติต่อไปนะฮะเป็นชาติที่สามมันก็เชื่อมโยงกันเพราะสิ่งที่ปรากฏแกตัวเรา ที่เราเรียกว่าชนกรกรรมพฤกกรรมที่นำมาเกิดก็ทาให้มีมีความแตกต่างกันสกุลก็แตกต่างกันรูปร่างก็แตกต่างกันพืชฐานจิตอัธยาศัยอะอะไรมันต่างกันเนยอะล้และสิ่งที่แตกต่างกันตรงนั้นน่ะพระเจ้าทรงแสดงว่า ก, กรรมย่อมจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนิจแตกต่างกันนั่นเป็นเรื่องอดีต แต่กรรมที่นําคนมาเกิดแล้วก็จําแนกให้แตกต่างกันแล้วก็ปฏิตุบันกรรมพอคนเดินไปด้วยกันเนี่ยสมมตินคนเดินไปด้วยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ความคิดเขาในขณะนั้นเช่นเราเดินไปเจอกระเป๋าเงินเขาวางไว้เนี่ยเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้ในขณะนั้นเราอาจจะเป็นคนขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้ อาจจะเป็นพลเมืองดีเห็นก็วางลืมไว้ก็ช่วยนั่งเฝ้าไว้ให้กลัวคนอื่นจะขโมยอาจจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเอาไปนะแต่คนฉลาดเนี่ยคงไม่เอาไปเองนะฮะเอาไปเองเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ถึงสถานีตารวจแต่ถูกหาว่าเราขโมยเราก็แย่เหมือนกันแต่ม่ตรนั้นเราเป็นโจรก็ได้นะเป็นพลเมืองดีก็ได้ หรือเป็นคนใจจืดเฉยๆก็ได้นะฮะคือไม่ใส่ใจไม่สนใจว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับเจ้าของกระเป๋าหรือไม่เนี่ยเราไม่สนใจนั้นแสดงว่ากรรมเป็นตัวจําแนกคนให้เป็นคนดีหรือว่าไม่ดีในแต่ละขณะคือตั้งปัญหาสอบถามเวลาไปเป็นวิทยากรอบรมส่วนมากจะถามพระนะแต่บางทีเราก็สงสารท่าน เงียบที่เลยไม่ยอมตอบเลยบางทีพระทั้งสนะี่ห้าร้ยนั้นเราถามถามสั้นๆเนี่ย น, นะแต่ท่านไม่เคยมั่นใจนะถามว่าคนเดินสมมติเรามีคนเดินไปสี่คนไปห้าคนนะคนหนึ่งหกล้มคนหนึ่งวิ่งเข้าไปประคองคนหนึ่งยืนดูเฉยๆคนหนึ่งหัวเราะคนหนึ่งดาง่าท่งเลยถามว่าในสี่คนเนี่ย ใครชื่อว่าปฏิบัติธรรมะถูกต้องในขณะนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่เข้าประคองเนี่ยเข้าไปช่วยเนี่ยปฏิบัติถูกต้องเพราะคนประสบความทุกข์มันต้องการุณาไอ้คนยืนดูนนเฉยๆก็ใจจืดเกินไปไอ้คนในหัวเราะก็ใจร้ายเกินไปไอ้คนที่ด่าโสก็ใจดําเกินไปไม่สมก็เป็นเพื่อนกันเลยแต่ว่ากรณีเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าผิดในทุกกรณี เราสมมติเราเปลี่ยนสร้างสถานการณ์ใหม่ว่าในห้าคนเนี้ยเพื่อนคนหนึ่งไปชกกระเป๋าเพื่อนอีกคนหนึ่งโขกกระเป๋าันสาวบ้านเอาสมมุติอย่างนั้นเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งตํำรวจเห็นเขก็ไล่จับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สงสารเพื่อนก็วิ่งไปช่วยคนหนึ่งก็ยืนดูเฉยๆคนหนึ่งก็หัวยรอ้อคนหนึ่งก็ด่าทรงเลย ถามว่าในกันอีนี้ไอ้สีคนเนี้่ใครปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องเราจะเห็นว่าคนยืนดูเฉยๆกลับเป็นถูกต้องนะฮะคนวอร์ร็อก็เกินไปนะฮะคนดา่าทซงก็ไปด่าก็ทําอะไรเขาก็ผิดศีดข้ออธินาทานเราก็ผิดศีดข้อมุสาวาทที่ด่านะฮะไอ้แม่ที่ด่าเนี่ยคือแสดงว่าเขาก็ผิดสีดข้ออธินาทานเราก็ผิดศีดข้อมุสาวาทแล้วก็ไอ้เพื่ออเพื่อนได้วิ่งไปช่วยมันก็กลายเป็น สมโจรคือพวกเดปโจฉก็ถูกจับด้วยนะฮะนั่นก็คือการการปฏิบัติธรรมซึ่งจำแนกคนในมันมันแตกต่างกันในขณะนั้นนั้นและกรรมเหล่านี้เมื่ อ, อยังไม่สิ้นกระแสกรรมมัก็ตามตามจำแนกพบชาติของคนอย่างที่มีการกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงคนที่เกิดมาและแตกต่างกันโดยกำเนิดแตกต่างกันโดยกาเนิดเลยอย่างที่เราแตกต่างกันเนี่ย นั้นก็สมแสดงให้เห็นถึงว่าไอ้จุดที่กําเนิดเนี่ยมันเป็นจุดของอดีตกรรมอดีตกรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ในชาติก่อนๆจัดไหนบ้างก็ไม่รู้นะฮะก็ว่าไปรายละเอียดไปแต่เรื่องชาติก่อนๆเพราะว่านําไปเกิดกรรมตัวเนี้ยนําไปเกิดแล้วก็จําแนกสกุลแตกต่างกันจําแนกสถานะทางสังคมแตกต่างกันจําแนกรูปร่างให้แตกต่างกัน แต่แรกพื้นฐานสติปัญญาะอะไรๆจะแตกกันเลยเขาก็มาก่ะตุนถามหลายชุดนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าทําไมคนบางคนเกิดมาอายุสั้นเกิดาอายุยืนส่วนแสดงว่าคนที่เกิดาอายุสั้นเพราะวาทุกของปานาติบาต์เดียอายุยืนก็เพราะาไม่ทําปานาติบาตทําไมคนมีโรคมากโรคมากคนที่มีโรคมากก็เพราะว่าเบียดเบียนสัตว์อื่นมาก่อน คนที่มีโรคน้อยก็เพราะไม่เบี่ยนแปีงสัตวมาทําไมเกิดสกุลสูงจะเกิดต่ําคนที่เกิดในสกุลสูงก็เพราะไม่ริษยาคนอื่นคนที่เกิดในสกุลต่ําก็ไม่ริษยาคนอื่นทําไมเกิดมาร่ํารวยเกิดมายากจนคนที่เกิดมาร่ํารวยก็เพราะให้ทานมาในการก่อนคนที่เกิดมายากจนก็เพราะไม่ให้ทานในการก่อนทําไมคนเกิดมาสติปัญญาดีสติปัญญาสาม อดีตที่สติปัญญาดีก็เพราะผนใจศึกษาแล้เรียนมาในชาติบางก่อนที่สติปัญญาสามก็ไม่สนใจศึกษาแล้เรียนขี้เล่าเมายานะถามว่าทําไมบางคนผิวพรรณสวยงามบางคนผิวพรรณก็ด้างหยาบกา้านก็เพราะว่าที่ผิวพรรณสวยงามนั้นเพราะว่ามีเมตตาจิตต่อคนถ้าที่หยาบกา้านนั้นก็เพราะว่าเป็นคนขี้โกรธอันนี้แสดงให้เห็นถึงชาติก่อน ว่าให้ผลแก่เราในชาติปัจจุบันและในตรงนี้แหละมันยังทําหน้าที่ในกระบวนการของการให้ผลผลกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันกรรบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปการบางอย่างให้ผลในชาติต่ อ, ตอไปท่านผู้ฟังเราสังเกตนะครเรามีทั้งสามกรรมเลยในชาติปัจจนะุบันเนี่ยเพราะว่าคําว่ากรรมในชาติให้ผลในชาติต่อไปก็คือชาติก่อนเนี่ย ก็กรรมมาให้ผลในชาตินี้ก็กลายเป็นชาติต่อไปตรอบชาติก่อนนะทีนี้ชาติต่อต่อไปก็คือกรรมที่เราทำมาในชาติก่อนๆนะแล้วก็กรรมให้ให้ตามมาให้ผลในชาตินี้เมื่อเรามองจากชาติโนู้ดมันก็กลายเป็นชาติก่อนๆชาตินี้ก็กลายเป็นชาติก่อนๆชาตินี้ก็คือชาติต่อตไปนะฮะชาติต่อต่อไปเห็นไหมว่าชีวิตเรามันก็อยู่ในเงามืดที่เราไม่รู้เลยอดีตกรรมสองอย่างเนี่ยสองช่วงใหญ่ๆเนี่ย กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปกับคนที่หายกรรมที่ให้ผลในชาติต่อตไปเนี่ยเราไม่รู้เราทําอะไรไปเพราะั่สิ่งที่เรารับผิดชอบจริงๆก็คือกรรมที่เราทําในชาตินี้แล้วก็ให้ผลในชาตินี้ที่ท่านสอนเรื่องทําดีได้ดีทำชั่วได้ช่วยเนี่ยเพื่อให้บุคคลได้ตรหนักรับผิดชอบในกรรมของตัวเองแล้วพอนําไปสู่ชาติหน้ามันก็กลายเป็นชาติต่อไปสมมติว่าเราโรตายไปเนะฮะเราไปเกิดในกําเนิด สมมติวาเราเกิดมาแล้วก็สุขภาพภรานามัยไม่ดีมีโรคภยัยไข้เจ็บเปลี่ยนๆมากเพราะว่าชาติปัจจุบันเราเปบียบ่ยนสัตว์ไปเยอะและมันก็กลายไปเป็นชนก ก, กรรมเกิดมาก็สุขภาพภรานามัยไม่ดีมันจะมีช่วงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามองให้ซึ้งจะเห็นว่าในทุกๆชาติเนี่ยเรามีกรรมทั้งสามประเภทนั้นนะกรรมไม่ผลในชาติ นี้กรรมไม่ผลในชาติหน้ากรรมไม่ผลในชาติต่อไปต่อต่อไปด้วยนะฮะที่จริงคือก็นับกันไม่หวา ด, ไ ม, วดไม่ไหวต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยกี่ชาติก็ไม่รู้ถือกว่าเขาจะให้ผลเสร็จเพราะในความเป็นพระวจจำมันก็หมุนกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งหาจุดจบไม่ได้ถ้าตราบใดที่ยังมีกิเลส มันจะกลับเคลื่อนนำชีวิตหมุนวนกันไปทีเด็ดตามแรงของกรรมมีการจาแนกแบ่งแยกชีวิตของบุคคลเราให้เลวให้ประณีตแตกต่างกันออกไปเพราะในการทำบุญบางอย่างบางครั้งเนี่ยบังคนมองผลในแง่ที่ว่าให้ตกแต่งภพชาติเราให้ประณีตจริงขึ้นคือยังไม่ถึงกับ จะบรรลุเมคตานะิพพานน่ยถือว่าเป็นทานบา ร, รมีที่จะนําไปสู่ภพชาติที่ประณีตขึน้นก็ทําทานให้มันประนีตขึ้นไปเรื่อยๆในสุดภพชาติของเราก็จะประณีตตามขึ้นไปในกระบวนการของกรรมที่เป็นกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเมื่กลายเป็นภาวะจับที่หมุนโดยต้นเหตุสําคัญเนี่ยเหตุในอนดีต ที่เป็นรากง้าวมาจริงๆก็คืออวิชชาอาวิชชาจึงถือว่าเป็นอดีตเหตุอย่างที่กล่าวไว้ในตอนตนะ้นนัะอวิชชาเป็นอดีตเหตุแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นอดีตเหตุไม่ไม่เป็นปัจจุบันในเหตุคือเหตุในขณะนั้นๆั้นให้เราสังเกตว่าเออเราเห็นเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยบางทีก็เกิดตัณหา เกิตัณหาแล้วก็อยากได้จนเพ่งเล็งโลภอยากได้มันเริ่กเป็นมนุษย์ทุจริตแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าอยากได้จริงแต่ว่าซื้อหามาในทางถูกต้องมันก็ไม่เป็นทุจริตจะไม่เป็นปัญหาลอะไรแต่ที่นี่ตัณหาเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทสร้นคือถ้าเราลดความเข้มข้นของแกเราก็ใช้เป็นใช้แก่เป็นเครื่องมือได้นะฮะอยากทําบุญก็เป็นตัณหานะอยากเป็นนิพพานก็เป็นตัณหา แต่เป็นความอยากคล้ายๆกับเป็นยานภายนะมันเหมือนเราอยากจะข้ามฝั่งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเรือแต่ในขณะที่อยู่ในเรือยังไม่ขึ้นฝั่งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเรืออย่า ง, ง น, นั้นนะแต่พอขึ้นฝั่งเราต้องทิ้งเรือเขาเรียกว่าอาศัยตัญหาเพื่อละตันหาในแนวการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา ทำไมพระเจ้าสอนเรื่องระมัดระวังใจอย่าให้ยินดียินได้บางทีเราเรียกว่ากำหนัดขัดเคืองนะฮะเราบัดระวังใจเราเอาไว้อย่าให้เกิดกำหนัดขัดเคืองซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นการเพิ่มกิเลสแต่ว่าระวังจิตจริงๆต้องระวังทั้งสี่ระวังจิตจะให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความกำหนัด ถามว่ากำหนัดเนี่ยตัวเขาเป็นที่ตั้งของความกําหนัดที่เรากําหนดแล้วก็เกิดกําหนัดอให้เราสังเกตรจริงๆเราปรุงตัวเองเราคิดตัวเองมันขึ้นอยู่กับสภาจิตของคนสภาพจิตของคนสมมติว่าถ้ภารกิจมันต่ําอยากกล้านมากมากในการมาคุณเนี่ยเรามีข่าว ที่แสดงถึงจิตผิดปกติของคนบางคนเห็นสาวเป็นศพไปเลยแต่คนที่มีจิตใจพราประณีตเห็นสาวสวยๆเป็นศพไปได้คือว่าพวกหนึ่งไม่เห็นศพเป็นสาวเลพวกหนึ่งเห็นสาวเป็นศพจะไม่แสดงว่าตัวทั้งศพทั้งสาวนั่นแหละไม่ใช่วัตถุที่ตั้งของความกำหนัดเป็นสากลได้อยู่ที่จิตเรากำหนดเอา ก็มือไว้ไงก็มือว่าหน้าค่ายหน้าปรารถนาหน้าพอใจมันก็รูปนั้นสวยสมบูรณ์เสียงไพเราะสมบูรณ์กลิ่นหอมสมบรูรณ์รสอร่อยอร่อยสมบูรณ์สมัสมผัสน่าจะต้องสมบูรณ์โดยเนื้อหาสาระและสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงเป็นการปรุงขึ้นมาเฉยๆเป็นการปรุงขึ้นมาเฉยๆแล้วโดยความคุ้นเคยนะฮะโดยความคุคน้นเคยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลก เพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยยาดมาเอ า, า, ายกยกตัวอย่างมาเองก็ได้มายอยู่ปากใต้เนี่ยอายุแค่ยี่สิบเจ็ดแค่นั้นเองอายุหกสิบเจ็ดอยู่ปากใต้แค่ยี่สิบเจ็ดแตอยู่กรุงเทพตั้งสามสิบเจ็ดสามสิบสามสิบเจ็ดสามแปดแล้วนะแต่ปรากฏว่าในเรื่องอาหารเราก็ติดอาหารปรากใต้ทั้งที่ช่วงที่เราอยู่มันห่างกันเนี่ยเลย นันแสดงไงแสดงบ่มันมีตัณหามันมีอุปาทานจะยึดติดมาแต่เราก็รู้่นะวันนี่คือรักษาอุปาทานทเฉยๆแต่มันสะสมอยู่ในจิตสันดาลเราตอนเด็กๆมาก็อยู่มาแล้วก็กลายเป็นความคุ้นเคยไปแต่ถามคนภาคอื่นภาคอื่นก็เป็นอย่างนั้นนะเภาคอื่นก็เป็นอย่างนั้นคนต่างชาติเาก็เป็นอย่างงั้นแต่ถ้าถามมาตรงนี้เราลดได้ไหมมันก็มีคนลดได้เยอะ ผล ท, ท้าก็ไม่เขียนนั้นก็แสดงไนว่าตัณหาทรงนี้อยู่ที่เราคุมมันได้หรือเปล่าตฐานะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคุมมันได้มันก็เป็นมูลเหตุที่จะให้เราทําบาปไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเหตุเราทําบุญได้แล้วทําไปต้องฝังเท่าไหร่แต่เ ร, ปราปฏิบัตญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรม จังมีแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกานสวัสดี